เราปรับปรุงความเจริญให้แก่จิตใจของเราคือให้มีวิชาความรู้ตามอันดับนั้นๆซึ่งสุดแท้แต่ใครจะสามารถมากน้อยเพียงใดผู้ที่มีความสามารถมากหน่อยก็สามารถที่จะเรียนจบถึงขนาดชั้นด็อกเตอร์หรือปริญญาเอกดังที่ปรากฏอยู่แล้วนั้นอันนี้เป็นวิทยาการทางคดีโลก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 แต่ถ้าเรามีศีลธรรมเป็นเครื่องควบคุมหรือเป็นแนวทางปฏิบัติเราก็สามารถที่จะใช้วิชาการนั้นๆให้เป็นไปในทางที่มีคุณมีประโยชน์หลักการที่จะใช้วิชาการให้เกิดคนเกิดประโยชน์กันอย่างจริงจังสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า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 ถ้าหากว่าสังคมมีศีลห้าประการนี้เป็นเครื่องควบคุมการประพฤติปฏิบัติทางกายทางวาจาสังคมสามารถที่จะมีความอยู่เย็นเป็นสุขและมีความสงบและถ้าเมื่อมีศีลห้าบริบูรณ์ดีแล้วไม่ชัแฉ่จะทำให้สังคมอยู่กันด้วยความสงบสุขเท่านั้น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 จะร่วงทุกไปได้เพราะความเพียนประการที่สาสามัคคีสมคขานังตะโพสุขโขความพร้อมเพรียงของหมู่คณะให้เกิดสุขอันนี้เป็นหลักธรรมที่ประเทศเกาหลีเขายึดเป็นหลักปฏิบัติและได้ทราบว่าเขาถือเป็นหลักธรรมที่เขาจะต้องล้นน้ำลงเพื่อให้ประชากรทั้งอของประเทศ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 หลักวิชาการในทางปริยัตินั้นหรือเรียกว่าพูดตามภาษาวัดวัดสมาธิก็ ค, คือความตั้งใจมั่นแต่สำหรับในที่นี้ขอใช้คำว่าสมาธิคือความมั่นใจภาวนาก็คือการอบรมอบรมกายวาจาและใจให้อยู่ในระอ บ, บแผงศีลและธรรมที่ชอบ ดังนั้นอาตมะจะไม่พูดอะไรให้มากความเพราะท่านทั้งหลายก็ได้ศึกษาเร่าเรียนธรรมะกันมาบ้างพอสมควรจะแนะวิธีการทาสมาธิในเบื้องต้นการที่จะทำสมาธิในเบื้องต้นถ้าหากว่าจะทำเป็นจิตแจลักษณะหรือตามแบบฉบับของการทำสมาธิ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 แล้วจงกำหนดใจลงในระหว่างกลางกลางคือกลางระหว่างความยินดีระหว่างความยินร้ายทำใจให้เป็นกลางนึกในใจว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆพุโทโธธรรมโมสังโฆพุโทโธธรรมโมสังโฆแล้วก็กำหนดลงนึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธอยู่อย่างนั้น นึกพุโทโธเฉยๆนึกด้วยความเบาใจอย่าไปกดไปข่มประสาทส่วนใดส่วนหนึ่งหรืออย่าไปบังคับจิตให้เกิดความสงบหน้าที่เพียงแค่นึกพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโธเฉยๆอย่าเป็นนึกว่าเมื่อไรจิตจะสงบเมื่อไรจะสว่างเมื่อไรจะรู้เมื่อไรจะเห็น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 เมื่อจิตนึกพุโทโธพุธโทโธอยู่อย่างนั้นก็ปล่อยให้จิตนึกพุโทโธพุธโทโธอยู่อย่างนั้นครั่นนึกไปนึกมาพุโทโธหายไปจิตไปนิ่งอยู่เฉยเฉยก็ให้กำหนดรู้ลงที่จิตที่นิ่งอยู่เฉยเฉยในช่วงนี้อะไรจะเกิดขึ้นก็ตามให้กำหนดรู้ลงที่จิตรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นอย่าไปเอะใจ หรืออย่าไปตื่นตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้บางครั้งผู้ภาวนาอาจจะเกิดมีอาการสั่นนิดหน่อยหรือมีอาการขนลุกขนผองมีอาการคล้ายๆกับว่าตัวเบาจะลอยขึ้นบนอากาศมีอาการคล้ายๆกับว่าตัวใหญ่โตสูงขึ้น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 ในเมื่อมีความสุขแล้วนิวรห้าคือกามชันทะพยาบาทททนมิทะอุทธะกุกุจะวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยในการภาวนาก็หายสิ้นไปมีแต่ความสอาสบายปลอดโปร่งภายในจิตผู้ภาวนาก็ควรจะกำหนดรู้จิตไปเรื่อยๆจนกว่าจิตจะสงบละเอียดลงไป เมื่อจิตสงบละเอียดลงไปอย่างจริงจังแล้วความรู้สึกว่ากายก็จะหายไปความรู้สึกว่ามีหายใจก็จะหายไปจิตของผู้ภาวนาจะไปสงบนิ่งนิ่งสว่างอยู่มีสภาวะรู้อยู่ที่จิตอย่างเดียวเท่านั้นกายหายไปหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่เห็นไม่มีปรากฏ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 ถา้าจตมันไปติดอยู่ที่สมาธิขั้นนี้ความรู้ความฉลาดไม่เกิดขึ้นให้ผู้ภาวนาฝึกขัดพิจารณาการฝึกขัดพิจารณาควรจะน้อมเอาเรื่องของกายักตาสติอันเป็นแผนการปฏิบัติตามหลักมหาสติปัฏฐานคือกายานุปัสสนาสติปัฏฐานสติกําหนดตามรู้กาย สติกำนดตามรู้กายนี่มีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งกำนดตามรู้กายภายนอกอีกอย่างหนึ่งกำนดตามรู้กายภายในกำนดรู้ตามกายภายนอกคือหมายถึงว่าทมสติรู้ในเวลาที่เราเปลี่ยนอิริยาบทยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทาพูดคิดทมสติอย่างเดียว เดินรู้ว่าเราเดินยืนรู้ว่าเรายืนนั่งรู้ว่าเรานั่งนอนรู้ว่าเรานอนกินเดิมทำพูดคิดรู้ว่าเราคิดทำสติรู้อย่างเดียวอันนี้เป็นการกําหนดกายคตาสติในภายนอกส่วนการกําหนดกายคตาสติภายในนั้นหมายถึงการกําหนดอาการสาสอง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 หลักฐานที่เราจะพึงหยิบยกมาพิจารณาถ้าหากว่าผมขนเล็บฝันหนังของเราเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วเราจะอาบน้ำทำใหม่จะฟอกสบู่ทำใหม่จะตกแต่งทำใหม่ที่เราทำเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าผมขนเล็บฝันหนังเป็นสิ่งที่ไม่สวยไม่งามนั่นเองในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไปได้เดินได้ กินดื่มทาพูดได้ก็ยังเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกถึงขนาดนี้ถ้าหากสมมติว่ากายนี้ตายลงไปแล้วผมขนเล็บฟันหนังเกิดเน่าเปื่อยผุพังไปความปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกจะปรากฏมากน้อยเพียงใดอันนี้เรามั่นพิจารณากันกลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้น พิจารณาจนกระทั่งจิตของเรามันชำนิอาชำนาญในการพิจารณาคล่องต่อการพิจารณาในตอนต้นๆเราก็ตั้งใจนึกคิดเอาว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเป็นต้นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกไม่สวยไม่งามเนึ้กลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้นในที่สุดเมื่อจิตของเราเริ่มจะมีความสงบพอสงบลงไปได้นิดหน่อย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 แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะเป็นได้อย่างนั้นทุ ก, ท, กท่านทุกคนบางท่านก็สักแต่ว่ามีความรู้ซึ้งถึงจิตถึงใจว่าสิ่งดังกล่าวเป็นของปฏิกูณน่าเกลียด โ, โครกแล้วก็จิตจอมรับสภาพความเป็นจริงว่าเป็นของปฏิกูณการพิจารณาอสุภาพกรรมฐานหรือพิจารณาผมขนเลบฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดนั้น เป็นออบายที่จะถ่ายถอนราคะความกำหนัดจินดีไม่ให้เกิดขึ้นกลุ่มลุมจิตใจจะได้มีโอกาสได้ปฏิบัติธรรมในขณะนั้นอย่างสะดวกคล่องแคล่วโดยไม่มีอุปสรรคใดๆอันนี้คือขั้นแห่งการาาาอกรพิจารณาทีนี้ถ้าหากว่าท่านผู้ใดไม่ทำดังที่กล่าวมาเมื่อทำาจตให้เป็นสมาธิพอสมควรแล้วยกตัวอย่างเช่น ท่านอาจจะบริกรรมภาวนาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นพุทโธพุทโธเป็นตน้นเมื่อจิตสงบลงไปแล้วก็เป็นนิ่งสว่างอยู่เฉยๆทำเทไลก็นิ่งสว่างอยู่เฉยๆไม่เกิดความรู้ขึ้นมาได้ผลของการบริกรรมภาวนาจะยังจิตให้สงบลงไปแล้วถึงขั้นอัปปนาสมาธิแล้วก็จะเป็นนิ่งสว่างอยู่เฉยๆ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 ด้วยอาศัยจิตมีเครื่องรู้สติมีเครื่องระลึกย่อมทำให้สติมีกำลังขึ้นในเมื่อสติมีกำลังขึ้นสติตัวนี้กลายเป็นสตินสคือเป็นใหญ่ในธรรมทั้งปวงสามารถที่จะปฏิวัติจิตให้ก้าวไปสู่ภูมิความรู้ไปสู่ภูมิธรรมได้เองโดยอัตโนมัติ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 บางท่านอาจจะมีความสงสัยว่าอารมณ์ของสมถกรรมฐานมีตั้ง4ี่สิบอย่างเราจำเป็นจะต้องทำให้ครบถึง4ี่สิบอย่างหรือไม่อันนี้ไม่จำเป็นทาเพียงอย่างเดียวก็ได้ชื่อว่าได้ผดหรือเรียนจบกรรมฐานทั้ง40สบห้องเพราะฉะนั้นท่านผู้ใดจะยึดอารมณ์อันใดเป็นเครื่องบริกรรมภาวนาก็ดี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 ฝึกขัดให้ใจมันเนึกอยู่กับสิ่งสิ่งเดียวได้นานๆเพื่อเป็นการตัดความกังวลหรือตัดความวุ่นวายที่จิตมันแผร่ซ่านไปสู่อารมณ์ต่างๆให้มารวมจุดอยู่ที่จุดเดียวเช่นภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธเป็นต้นท่านภาวนาพุทโธเป็นต้นแม้จิตจะไม่สงบก็ตามหรือสงบก็ตาม ให้นึกภาวนาพุโทโธพุธโทโธอยู่อย่างนั้นเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดนึกพุโทโธไว้ตลอดเวลานึกจนกระทั่งว่าจิตมันติดกับพุโทโธพุธโทโธติดกับจิตจิตเป็นพุโทโธพุธโทโธเป็นจิตแม้บางครั้งเราไม่ได้ตั้งใจจะนึกพุโทโธจิตของเราก็นึกขึ้นมาเองอันนี้เป็นการฝึกขัดให้จิตติดกับคําว่าพุโทโธหรืออารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง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 ถ้าหลับลงไปแล้วติดมันมีอาการเคลิ ม, ลมแล้วก็สว่างส่งกระแสออกไปข้างนอกมันจะเกิดนิมิตต่างๆขึ้นมานิมิตอั น, นั้นคือความฝันทีนี้อย่างพระอริยะเมื่อท่านนอนหลับแล้วท่านก็ยังฝันเหมือนกันแต่ความฝันของพระอริยะนั้นคือนิมิตแล้วท่านจะไม่ได้ฝันแบบที่เรียกว่า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 อะไรตอนฝึกจิตนะคะท่านมีอะไรหลายๆอย่างมันแวบเข้ามานะคะตาจะมีบุบายอะไรไม่ใช่มาอย่างเดียวก็ไม่มีชื่อเดียวคืออะไรคะอ่าอ่การฝึกเจ็ดมีอะไรแวบเข้ามาเรื่อยๆอันนี้เป็นเรื่องของธรรมดาในการฝึกหัดใหม่ทีนี้ความแวบเข้ามาของของสิ่งที่แวบเข้ามานั่นหมายถึงอารมณ์โดยธรรมดาแล้ว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 จิตสามารถที่จะตั้งมั่นอยู่ในสภาพปกติไม่ยินดียินร้ายต่อเหตุการณ์นั้นๆได้เชื่อว่าจิตเป็นสมาธิในขั้นวิปัสสนากรรมฐานที่นี้ในเมื่อพูดถึงว่าจิตสมาธิในขั้นวิปัสสนากรรมฐานบางท่านอาจจะสงสัยว่าจิตในขั้นสมถกรรมฐานนั้นเป็น อ, อย่างไรจิตในขั้นสมถกรรมฐานนั้นหมายถึงจิตที่เป็นิ่งว่างอยู่เฉยๆไม่เกิดความรู้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 อันนี้ไม่ใช่การเริ่มต้นเป็นการที่จิตผ่านความเป็นสมาธิขั้นสมถะมาแล้วจนมีสติสัมปชัญญะดีสามารถตามรูธธ้ทันอารมณ์ใะเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าใครได้อย่างนี้แล้วสบายมากก็อสองจำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิเพชรเวลาทําสมาธิหรือไม่อันนี้น่าน่าเด็ดทําความเข้าใจ <c oughs> การทําสมาธิ